มีวิญญาณนาีตีเจ็ดไงใช่เวทนาแปดโลกกระม8แปดเวทนาเก้ามีนีมเวทนาเก้าก็ต้องมีดีใช่ไหมมีไหมเวทนาเก้าเวทนาสิบเวทนาสิบอดยังไม่เคยเห็นเวทนาสิบสองมีนะเวทนาสิบแปดมีเนาะที่ว่าเมื่อกี้เวทนาร้อยแปดเวทนาสามเวทนาหนึ่งร้อยแปดเวทนามีเยอะจริงๆดักไว้หมด ทำไมต้องรอบรู้เวทนาขนาดนั้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดถ้าอย่างนั้นเราจะไม่การตัณหาไม่ได้มองเห็นใช่ไหมว่าต้องรู้จากปัจจัยของตัณหาทั้งหมดจึงจะละตัณหาได้ถ้ารู้เพียงเวทนาเดียวพอไหมไม่พอไม่พอก็เราคิดแบบนี้ไงเป็นมัรกน้อยในคำสอน ก็เลยเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายสังสาระวะัฏแล้วก็ไม่ยอมดับทุกข์กันสักทีตั้งหลักใหม่ใช่ไม่มความรู้ไม่พอไงไม่พอต่อการจะกันตัณหาจะละตัณหาจะถ่ายถอนตัณหาเวทนาเป็นสาจารอะไระเป็นทุกขสัตย์เนาะพระพุทธเจ้านี่พูดคำว่าสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตรัสรูรรร้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้าพูดเรื่องสัมมาสัมพุทโธเแล้วจะเชื่อมโยงในเวทนานุกัสนานะ ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สูตรนี้ด้วยที่บอกว่าทรงเป็นผู้ตรัสรู้รำทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองใช่ไหมคําว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตรัสรู้โดยชอบแล้วก็ด้วยพระองค์เองใช่ไหมใช่คําว่าตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระอ ง, องค์อ เ, องเองนั้นก็คือตรัสรู้พิญญาธรรมคือธรรมที่ควรรู้ยิ่งอย่างวิเศษก็คือตรัสรู้ญายธรรมห้ายประการตรัสรู้สังขาร วิการลาักษณะนิพพานบัญญัติห้าอย่างใช่ไหมสังขารในที่นั้นได้แก่สังกตาธรรมสังคตาธรรมก็คืออะไรธรรมที่ถูกปัปจจัยสี่ประชุมปูงแต่งกรรมจิตตวงหานจิตแปดสิบเก้าใช่สังขารไหมใช่นะผู้เจ้าตรัสรู้หมดเลยนะจิตแสิเก้านี่นะเจสิบเท่าไหร่สองเนาะสรุปก็คือนามขันธ์สี่ รูปะเวราณาสัญญาสังขารวิญญาณนิจตัสรูแล้วก็นิพพานในะรูปสิบแปดสรุปแล้วขันห้านะขันหนะ้าในพนะระพุทธเจ้าตัศรุตัศรุได้ด้วยตนเองนี่นะขันห้าแล้วนะแล้วก็วิการและรูปด้วยวิการและรูปสามลัคนายรูปปีศุปปัจญสันตติชะละตานิจตาใช่ไหมแล้วก็นิพพาน พระยาตัสโซนะแล้วก็บัญญัติทั้งหมดเลยนี่ไงไอพินญาญาธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งนั้นบัญญัตินั้นเป็นอารมณ์ของสัมมาสัมพุทธาหมดแล้วเพราะว่าสัมมาสัมพุทธาเนี่ยสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยเป็นเป็นปรมัตาหรือบัญญตัติพุทธานี่เป็นปรมาัาหรือบัญญตัติเอาเลยทีเนีย ใช่ไหมเอามหาเอกพุทธาเนี่ยเป็นปฐมหรือบัญญตัตเป็นตอบป้องกนันเลนะบอกบรรยัญญตมีสภาวารับรองว่นี่ก็ยกตอบนี่ก็เป็นมวย พุทธะเนี่ยว่าโดยหลักจริงๆคือสภาวะปรมาภิพุทธะการเปพุทธะสมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นปรมัติษนะเพราะอะไรรู้ไหมสภาวะเห็นการตัดสู้อริยสัจนั่นแหละคือพุทธะ <c oughs> ใช่ไหมสมมาสัมพุทธะเนี่ยถ้าว่าโดยสภาวะจริงๆได้แก่อรหัมตมรรคของพระพุทธมิยภาพเจ้าในอรหัมตมรรคนั้นองค์ทำได้แก่อะไร ใช่ไหอแก่แกอะไรอ่ะได้แก่รแกมรรจิตน่ะมรรจิตแล้วเจไดศีกสามสิบหกอ่ะนามขันสี่เวทนาขันสัญญาขันสังขารละขั น, ขนแล้วก็วิญญาณขันใช่ไมนั้นสภาวะประมรัตธรรมอันนั้นแหละเป็นตัวไปแทงตลอดอริยสั์เป็นสภาวะที่ตัดสู้เองกว่าจะได้สภาวะอรธมรรจิอันนั้นมาในยี่สิบประสง์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับ กว่าจะได้สภาวะอรหัตมัตอันนั้นแหละสภาวะนั้นแหละที่ไปแทงตลอดตัสรู้อริยสัจโดยชนิดที่ไม่มีอาจารย์ของเราไม่มีครูของเราไม่มีคนที่เสมอเราโดยศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์ไปต้นไม่มีเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นคนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอ่ะพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปใช่ไหมท่านประกาศยืนยันตั้งแตจําความได้แล้วตั้งแต่เดินออกจากท้องแล้ว นั่นไงพระโพธิสัตว์ลักษณะของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ออกมาแบบประเภทที่บุคคลไม่รู้จักเขารู้จักกันตั้งแต่ชั้นลุกิษยก่อนหน้านั้นโดยซ้ำไปเขาพากันคอยรอจังหวะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้านี่นะว่าพระพุทธเจ้านั้นเขาเป็สภาวะของสัมมาสัมพุทธาเนี่ยหรือพุทธาเนี่ยเป็นสภาวะเท่านั้นเองเป็นสภาวะแต่ในสภาวะของอารหมมรักนะ อรหัตมรรมอันนั้นน่ะที่กว่าจะได้อรหัตธรรมะกันนี่นะต้องบ่มเพราะบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบปรมัตถบารมีสิบเนี่ยยีสิบอสงไขยยิงโดยแสนมหากรที่อธิบายไปแล้วเนี่ยนะพอได้สภาวะประมัตต์นั้นแล้วสภาวะประมัตต์นั้นแหละไปแทงตลอดอริยสัจเมื่อแทงตลอดอริยสัจก็คือรอบรู้ทุกข์ล่าสมุทัยทำนิโรธเป็นอารมณ์ในขณะนั้นแล้วก็ประชุมมัดแปดหรือโพธิบคัคคยาธรรมสามสิเจ็ดอยู่ในนั้นแหละ อาจจะขาดบ้านเดินบ้างก็แล้วแต่มักจะต่อจะเชื่อมอยากอะไรก็แล้วแต่นี่นะแต่สรุปก็นั่นแหละสติปัฏฐานสมนปทานอิทธิบาทอินทรีพระโพชฌงค์อริยมรรคเนี่ยประชุมหมดแหละที่เอาเรียนกันเนี่ยไปไประชุมอยู่ในขณะแห่งมรรจิกันนั่นแหละสภาวะนั้นแหละคือแทนตลอดอริยสัจนั่งไงคือพุทธะเขายังไงไหมนี่พุทธะคือสภาวะนะั้นทีนี้สภาวะนั้นจะเกิดขึ้นมา ล, ลอยๆได้ไหม ถามว่ามรรคจิตนั้นต้องอาศัยมีที่อาศัยเกิดไหมต้องมีหาทยาวัตถุของพระมหาบุรุษใช่ไหมแล้วหาทยะวัตถุที่จะรองรับนะหาถยะวัตถุชิ้นนั้นนะวัตถุท่าศักกราบอันนั้นนะหนึ่งหาทยะวัตถุรูปสองดินน้ำไฟลมสีกิ่รสโอชาธาติอีกแปดใช่ไหมแล้วก็ ชีวิตจะรูปอีกหนึ่งแล้วก็หัตถยาวัตถุอีกหนึ่งรวมเป็นสิบรูปนั้นนะวัตถุหัตถยะวัตถุทศกกราบแล้วก็มีกระาบอื่นอีกมากมาย ม, มากที่ห้อมล้อมที่เป็นที่อาศัยเกิดของมรรคจิตของพระมหาบุรุษนั่นคือรู ป, ปรขันธ์แล้วก็มีมังหามังสาหัตถยะห่อหุ้มอยู่เป็นก้อนเนื้อหัวใจในนั้นก็เกิดจาก ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมจิตตัวอาหารเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแล้วก็รวมเป็นการะชกายของหมหาบุรุษที่ประดับไปด้วยมหาปุริสระขนาด 3.2 ประการและนุปยาญชนะอีก80นั่นไงที่ตั้งของมรรคจิตของท่านสภาวะเหล่านี้ปรามาสหมดไหมนั่นแหละคือขันห้ากำลังดำเนินไปอยู่ก็ลองคิดดูที่ว่าอารหัตมรรคจะเปล่งปังก็แค่ไหนใช่ไหม เพราะเป็นอาหารามรรกที่ต้องอาศัยการบ่มเพาะแวดล้อมมาของบา ร, รมีสามสิบทัล้ะเพื่อจะประชุมพอที่ปักพิยาธรรมบีบราดให้เป็นศีลสมาธิปัญญาที่เข้าถึงความแก่กล้าอย่างยิ่งเพราะใสบา ร, รมีที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนานจะเ ป, ปล่งตังขนาดไหนเสียดายเราไม่ได้เห็นกันวนนั้นอะเอาเรื่องจริงนะเ น, นี่ยพูดเรื่องจริงนะเข้าใจว่าเพราะ นานเหลือกเกินวันนั้นนะวันที่อธาตมากอุบิเกิดขึ้นเองที่เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธานะเท้ามาหาพรมหลายหมื่นจักราวาลถือพินมาบรรเลงบูชาเท้ามาหาพรมถือฉัดมาหลายหมืาานนะ่นจักรวาลนะเต็เยียดไปหมดเลยฮะถือฉัดถือธงถือฉัดมากางก้านพวกถวายบูชา นักเทียเทยวดาแม้แต่คนทันแม้แต่นาแม้แต่ครุฑขุดขึ้นมาบูชาเต็มไปหมดก่อนที่อาณักรมรคอันนี้จะอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเขาได้บูชาแล้วเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อาณัตรมร์ของพระมหาบุตรของพระเจ้านั่งสุชาดาเนี่ยก็ได้ยังไงนะี่คือมนุษย์นอกนั้นเทวดาพรหมได้กันอีกเปรียบหมดที่เขามาบูชากันเนี่ย แล้วเราไป็นงดอยู่ที่ไหนกันทำไมไม่ไปบูชาจะได้หนาตะยาัสเขาบ้างอาจจะได้บูชาบ้างกไงไหมใช่ั้มเขาไปบูชากันอย่างี้นั่นแหละเขาไปบูชากันเขาจึงเรียกว่าเป็นการบูชาที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากเมื่อบูชาแล้วเป็นปัจจัยให้พระหมหาบุรุษได้ตรัสรู้นุตตะลาสามมาสัมโพธิญาณมองเห็นไหมละ่ะนี่เป็นอย่างนี้ นั้นสัมมาสัมพุทธโธ ท, ที่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆท่านรอคอยกันมาอย่างยาวนานแล้วกว่าจะมาอุบัติเกิดขึ้นแต่ละอสงไขยแต่ละอสงไขยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากนั้นเราท่านทั้งหลายก็าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นความว่ากว่าถ้าเราดูประทัด ฐ, ฐานของอรหัตมรักเนี่ยใช่ไหมอรหัตมรักนั้นมีวิปัสสนาญาณของพระนาคามีเี่ยเป็นประทัด ฐ, ฐาน วิปัสนาญาณนั้นมีสมาธิเป็นประฐานใช่ไหมสมญถาภูดยา น, นัทสนานิพิทาเวลาค่ากว่าเวลาค่าคืออรอยิยมรรคอริยมรรคนั้นมีอะไรมีนิพิทาใช่ไหมเป็นประฐ า, านนิพิทาก็มียาถาภูดยา น, นัทสนะก็ปัญญาทั้งนั้นที่รู้เห็นตามความเป็นจริงยถาภูดยานัทสนะก็มีสมาธิเป็นประฐานสมาธิก็มีความสุขนัน่นแหละเป็นประฐานความสุขก็มีปัจธิ เ ป, ปปเป็นประฐธฐานปัสสีกมีปิติเป็นพระธาฐานปิติก็มีปรามโารามทเป็นประฐธฐานปราโมทก็มีอวิปปิสารเป็นประธาฐานอวิปปิสารก็มีกุโสล ศ, ศรรษษีลสี่อย่างปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีอาชีวาปฏิสุทธนะิสีปฏิยะสันนิสิตาสีนี่แหละเป็นประธฐานเป็นอย่างนี้ลองคิดดูที่ว่าก่อถ้าจะบ่มพ่อศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็จะเป็นประธาฐานแกการได้อหัตมาสอันหับครผม ท่านต้องบ่มเนี้ยยี่สิบประสงค์ไถ่ท่านเดินไปวนเวียนวนเวียนกับประตูบริสุธิ์พานมาตั้งนานแล้วท่านไม่เข้าหรอกนิพานทปรปดาใ น, นถ้าท่านจะได้เป็นพระสาวกท่านไม่เอาการยับยัง้งชั่งใจเป็นเรื่องยากสําหรับคนเต็มท่านต้องบ่มไปเรื่อยๆเอาบา ร, รมียังไม่เต็มเป็นไม่ได้พรธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระปเจ้าพรธเจ้าเนี่ยได้จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เขาใหญ่ไหมทาไมอ่ะท่านผูกผูกอะไรผูกบารมีไว้ในตนแล้วผูกสัตว์คือผูกพวกเราเนี่ยไว้ในตนฉะนั้นกรุณาของท่านเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมกรุณาของท่านเนี่ยแข็งแรงเพราะท่านมีกรุณาแม้ก็ดึงปัญญาไว้ยับยั้งปัญญาไว้ไม่ให้แทงตลอดอดริยสัจความไม่เห็นแก่ตัวของท่านนั่นแหละท่านผูกพวกเราไว้ในตนว่าท่านอนุ ป, ปาฏฐาปฏิทินิพันธ์แล้วจะทําให้คนอื่นได้อนุ ป, ปาฏฐานปฏิทินิพันด้วย คือท่านดับกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือมันแล้วเนี่ยแล้วท่านปรินิพานแล้วนะท่านจะดึงบุคคลอื่ในให้ปรินิพานตามท่านด้วยนั่นคือปรินิพานของพระโพธิสัตว์นะไม่ใช่อย่างเราใช่ไหมหลุดพ้นได้รีบหลุดแล้วทิ้งใครได้ทิ้งเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใจของเราใจของท่านนี่เป็นกรุณาบวกปัญญาเนาะฉะนั้นสภาวะของพุทธะเนี่ยเข้าใจยังว่าเป็นปรมาภิ ส่วนธรรมะคืออริยสัจสี่ถ้าโดยตรงก็คือมัดส 4, 4, ี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่น ค, คือธรรมะอันนี้นก็คือปรมัดเห็นไหมสภาวะที่พุธธทธะแทงตลอดเองอ่ส่วนสังขะก็คือว่าสภาวะที่ตัดสู้ตามพุทธะใช่ไหมที่คือสังขะสรุปแล้วก็คือพุทธะ ธ, ธรรมะสังขะรวมกันเป็นหนึ่งก็คือความดับอะไร ความดับทุกเป็นปรมาตมนะเป็นปรมาตตหมดเลยพอพิจนารณาอย่างนี้เวลาไปเจริญบุทตคุณเราจะได้ชัดนะจะได้ชัดเด่นอันมาเก่าหลายรอบเลยนะเรื่องนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไห ม, ไมอ๋อก็คือสภาวะของธรรมะธรรมะก็คือโลกุตตระธรรมเก้ามรรคสีผลสีนิพานหนึ่งส่วนสภาวะที่ตัดสู้ตามคือสังขะสังขะสภาวะที่ตัดสู้ตามก็แปลว่ากลุ่มนี้ก็คือฟังธรรมะจากพุทธะนั่นแหละแล้วก็ตัดสู้ตามก็เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนีสภาวะแห่งอาหามะมรรคอาดามผลนั่นแหละ จะหาธรรมะอรรถผลประเภทลองๆมันเนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องฟังธรรมะจากพุท ธ, ธะอย่างเงี้ยนี่นะใช่ไหมว่าพุทธทางสระนางกระฉามีธรรมังสระนางกระฉามมีสังฆังสระนางกระฉามมีรวมเป็นหนึ่งคือการดับทุกข์ใช่หมคือสภาวะที่ดับทุกข์นั่นเองเราเราจะเป็นหนึ่งในสังฆะได้ยัง ยังดับทุกไม่ดั บ, ดบใช่ไห ม, ไมน้องที่จะเป็นสังขามไหมน้องไหมพร้อมไหมยังพร้อมเลยนพร้อมแล้วก็อย่าห่วงอะไรมากไอตรงนี้ไอ <laughs> ตรงนี้เลยนะเหนนพอห่วงมากก็เป็นไม่ได้ใช่ไห ม, ไม <laughs> เป็นเครื่องตังวลใหญ่กงน้ยนะ เข้าใจป่ะเด้งเชื่อขาดหลายเส้นแล้วเชื่อขาดเส้นเลย ท่านพูยพยาดึงังเลยนะแต่พวกาสุดแเลยคนดึงหมดแรงแล้วคนึงหมดแรงะอาจารย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดแรงนะพวกเราย่างไม่ไหวตรงนี้ก็คือว่าท่านพระสัมมาสัมพุทธะที่ว่าตัดสู้เองโดยชอบคือตัสรู้ริยศสตร์ใช่ไห โดยหลักการจริงๆท่านเอาจักขูจักขูสมุทยะจับ ข, าขาุนิโรธะจับขนะุนิโรธาคารินีปฏิเวธานมาเป็นเบื้องต้นให้นั่นคือคําว่าสัมมาสมุทธาท่านตัดสู้ยศสัจธรรมด้วยพระองค์เองอย่างไหมก็หมายความว่าท่านสาท่านมาตัดสู้ทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเอาขันห้ามาวิจัยท่านก็ตัดสู้เห็นประจุมโลริยาศาสได้หมดเอารูปขันมาก็ได้ เอาเวทนาขันมาก็ได้ยกตัวอย่างเวทนานุปัสนาที่เราจะเรียนเพื่อเรียนกันมาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยผู้ได้เจ้าเห็นอริยรสัจพราะสัมมาสัมพุทธาเรียบร้อยหมดแล้วจะให้เวลาเราศึกษาในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นต้องเชื่อมโยงให้ชัดก็คือว่าเชื่อมโยงเข้าในสูตรต่างๆถามว่าเวลาเรียนเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวลาหลักเจริญจริงๆเนี่ยต้องชัดเจนเนะ ต้องชัดเจนก็คือว่าในเวทนาหรปัศนาสังเกตที่เราศึกษากันเนี่ยนะศึกษากันมาอย่างค่อนข้างยาวนานพอสมควรเนี่ยเสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่เสวยทุกเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนาอยู่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่คำว่าสุขขังเวทนังบอกว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาที่เป็นไปทางกายหรือทางใจ ก็รู้ชัดว่าเรากําลังสวยสุขเวทนาที่เป็นไปทางกายหรือทางใจท่านก็เลยยกอุปมาให้เราเห็นเลยว่าเปรียบเสมือนเด็กทารกเด็กทารกทั้งหลายที่ยังนอนหงายอยู่ในเวลาดื่มน้ํานมของคุณแม่นี่นะเด็กเหล่านั้นเมื่อสวยสุขเวทนาอยู่เขารู้ไหมน้ํานมที่ให้เขาคือความสุขเขารู้ไหมเขากำลังได้รับสุขเวทนาจากการดื่มน้ํานมเขารู้ใช่ไหม ถ้าเกิดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากน้ํานมเกิดแม่ไปกินอะไรมาลูกของดองของเปี้ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทำให้น้ํานมมีรสแปรเปลี่ยนไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาจะรับทุกขเวทนาจากการดื่มเรู้ไหมหรือกินน้ํานมแบบนั้นแหละรสจืดๆทุกวันทุกวันน่ะจนเขาเฉยๆอย่างเงี้ยเขารู้ไหมว่าเขากาลังดื่มน้ำนมที่ประเภทรสธรรมดาธรรมดาอยู่เขารู้หรือไม่รู้การรู้ในลักษณะอย่างนั้นเขาไม่ได้ถอนอัตตาสัญญาหรือสัตตาสัญญาได้เลย เขไม่ได้ถอนความเป็นตัวเป็นตนได้ไม่ได้ถอนเกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แล้วเราก็รู้เราสวยสุขเวทนาใช่ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้ทําไมจะไม่รู้เล่าใช่ไหมมีคนด่าแล้วเป็น <Glen> ทุกขไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีคนชมแหมอย่างนี้สวยเหลือเกินเนี่ยเป็นไงก็สุขเวทนาเกิดขึ้นเฉยๆเจอหน้ากันเิอไปไหนมาไหนสนทนากันอย่างนี้สุขเวอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็รู้ รู้อย่างนี้ไม่ได้คลายไม่ได้ถ่ายถอนอัตตาทิฏฐิอัตอตาสัญญาหรือว่าสัตตสัญญาความเป็นสัตว์บุคคลเลยไม่ต่างอะไรกับเด็กทารกนอนแดงบอกคนนั้นก็ถ้ารู้เพียงแค่นี้เราก็คือเด็กคนนั้นนนั่นแหละเด็กนอนก็แก้แก็แก้ไม่รู้เรื่องเลยเขาย้าใจยังแล้วทุกวันนี้เรารู้แค่นั้นไหมถ้ารู้แค่นั้นก็คือยังเป็นไอหนูในบ่ออย่นั้นเลยเขาย้าใจยังที่ท่านอุปมาเนี่ยเราคือเด็ก อุปมาว่าเด็กนี่เจ็บปวดนะมเจ็บปวดไหมไม่เจ็บปวดเท่ากับยาบทบาบล้อยาบทบาปท่างยกสุนัขบ้านสุนัขกินจอกอะว่ามันเดินก็รู้ชัดว่าเดินเน่ะยืนก็รู้ชัดว่ายืนเนี่ยเมื่อนั่งมันก็รู้ว่านั่งนอนนก็รู้ว่านอนเลยมันก้มตัวลงนอนล้มตัวลงนอนมันก็รู้อะถ้ารู้แค่นั้นเราจะไปต่างอะไรกันจะว่ามันยกสุนัขบ้านสุนัขกินจอกเลยอะหนักไหม ขนาดหนักขนาดนั้นยังถอนได้ไมัมยถอนไม่ได้นั้นยกเด็กนี่เบาแล้วจะมท่านยกเด็กเมา่ออุปมาเนี่เบาแล้วนี่การคือการอย่างนี้เขาเรียกว่ายกอะไรเขาบัญญัติท่านบัญญัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดว่าท่านทั้งหลายต่อไปให้มนาิการใหม่ถ้าโศกเวทนาเกิดขึ้นอย่าเด็กอย่ายารู้อย่างงี้หนูรู้ชัาไรตรงเนี้ย ทุกกรเวชนาเกิดขึ well, ้นอย่าไปรูปแบบนั้นทุกเด็กเวลาเกิดทุกกรเวทนาเกิดขึ้นเด็กโกรธไหมโกรธโอ้โหตัวแดงเลยนะเขาโกรธนะะเวลาทุกกรเวทนาเกิดขึ้นเขาดีใจเนี่ยเขาหลงไหมหลงนะโกรธก็หลงใช่มทุกเขาหลงเฉยๆเขาหลงไหมหลงอีกเพราะเขาสำคัญว่าเป็นตัวเขาเสวอตัวเขาได้รับสุขตัวเขาได้รับทุกตัวเขากําลังเฉยๆอยู่เขาสําคัญว่าเป็น บุคคลเป็นสัตว์เป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นถ้ารู้แค่นั้นก็คือรู้แบบเด็กรู้นั่นแต่การไม่ได้เอาเวท น, นามาวิจัยเห็นโทษหรือยังต่อไปจะรู้แค่นั้นไหม <c oughs> ก็ไปสกิดกันบ่อยๆเจ๊หน้าพ่อก็สกิดพ่อพอ่อย่ารู้อย่างนั้นนะรู้งั้นเด็กคนนั้นแหละจะมารู้เวทน า, นาเหมือนเด็กรู้อะ่ะใช่ั้ม นายแล้วนายเลยนะนั่นจะต้องพัฒนาความรู้ให้มากกว่าเด็กคนนะั้นคือรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเวทนาที่เป็นไปทางกายท่านก็ให้กำหนดรอบฉะนั้นคำว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้ธรรมดาท่านใช้คำว่ารู้ชัดเหมือนกันเห็นไหมเหมือนว่าว่าเด็กทารกเนี่ยเด็กทารเด็กทารกที่นอนอยู่บนบ่เนี่ย เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้รู้รชัดเนี่ยฉะนั้นคาว่ารู้ชัดแบบเด็กกับรู้ชัดแบบผู้ใหญ่ไม่ต่างกันเลยใช้สอบพระประชานาติอยู่เห็นไหมฉะ น, นั้นประชานาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องต่างจากเด็กรูกถ้ ถ, ถ, ถ้าถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หลักปฏิบัติทีนี้อาท่านรู้ยังไงท่านวิจัยสุขเวทนาเนี่เป็นทุกขสัจ ใช่ไหมเป็นทุกข์กระสับเพราะเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์เป็นที่ตั้งของชาาทุกข์เป็นที่ตั้งของพญาทิทุกข์เป็นที่ตั้งของวราณาทุกข์เป็นที่ตั้งของความโศกความล่ําไรลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแยนใจใช่ไหมจะเวทนาเนี่ยฉั้นแต่ตัวเวทนาทั้งหลาย่ะถามว่าตอนนี้สุขเวทนาเนี่ยเวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นให้เดี๋ยวดูในชั้นของดีการเนี่ให้ดูดีกนัน พยะดีการไป้ยพยายามจะดูดีกาแอบว่าท่านท่านสอนอยังไงแต่ฉันก็อ่านกดาท่านท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราดูดีการที่จริงอัตมาไม่ได้จววับโป๊กแลเรียกมาเลยมีหลายคนก็ท้วงอัตมาเนาะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ขั้นไม่อะไรก็ว่าอัตมาบอกยังยังยังยังฝึกไม่เป็นคืออย่างนี้ในทางด้านของของเวทนา ในทางด้านของเวทนาเนะคาว่ารู้ชัดเนี่ยนะรู้ชัดบอกว่าในขณะที่สภาวะของเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุกเวทนาหรือทุกเวทนาต่างๆเป็นต้นนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านให้กําหนดกําหนดในที่นั้นก็คือการพิจารณาคือการใส่ใจเนี่ยนะใส่ใจในการไปครอบรู้เนะี่ย เขาเรียกว่าใช้ปัญญาเจ็ดอย่างมีอันนี้อันนี้จานุปัสสนาเป็นต้นก็คือการไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นนี่การเาื่อนขยายใช่ไหมเนี่ยเป็นผู้มีปกตินะปกติเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาบอกว่าถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นให้พิจารณาเห็นยังไงให้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของที่ไม่เที่ยง ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นในพิจารณาเห็นโดยความเป็นลูกศรเนาะอาทุกขมาสุขเวทนาเกิดขึ้นในพิจารณาเห็นด้ยวยความเป็นของที่จริงถ้าในพิจารณาสุขด้วยความเป็นทุกข์ขอไปพิจารณาทุก ข, ขเวทนาเหมือนลูกศรที่ปักไป น, นี้ด้านเนาะพิจารณาอทุกขมาสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไ ร, ครคเนาะใช้สังเกตอย่างนี้ถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นราคานุตสยัยเชนตามนอน ใช่ไหมความยินดีความเพืเ่อเพลินจะตามมาไหมตามไม่ตามถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นปฏิกานุสยัยคือความโกรธความไม่พอใจจะนอนตามถ้าอาวิชชาอุทกกรรสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยนะอวิชานุสยัยคือความไม่รู้เนะี่ยก็จะตามนอนเรื่องมองเห็นใช่ไหมสรุปก็คือมันมีกิเลสคอยตามเราอยู่สามตัวราคะตามสุขเวทนาโพภะนี่นะ โทสะก็ตามทุกเวทนาโมหะตามตามอะไรตามอุเบกขาวเวทนานี่แหละเห็นไหมอยังเราจะเห็นชัดว่าถ้ า, ถ, าถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หมายหัวได้เลยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะตามไปด้วยร่ะครัความมีดีความเพื่อเพื่อนต้องคิดถึงทางตา่างเขาอยู่ห่วลิ้นใจใจจริงไหมเห็นของที่ดีๆแล้วมีสุขใจแล้วตามไปด้วยโลภะทุกทีไหมได้ฟังเสียงเพาะๆตามไปด้วยโลภะไหม กลิ่นหอมๆโลพาตามไหรสอร่อยอร่อยโลพาตามไปแล้สัมผัสที่นิ่มๆเอาเวลา้องใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราคิดยังไงเราคิดแบบเกณฑใจโลภะ ห, หรือหรือเกณฑใจปัญญาอ้าเข้าใจไหเราตามใจโลภะหรือตามใจปัญญาและขณะที่เอาเสื้อผ้ามาใส่ พิจารณาก่อนหรือเปล่าว่าบอกว่าเสื้อผ้าเนี้ยไม่ใช่เพื่อเพื่อประดับนะไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งใช่ไหมแต่เป็นไปได้เพื่อการอยู่ได้เพื่อเพื่อเพื่อปกปิดความความละอายใช่ไหมแล้วก็ป้องกันแม่คนอื่นมองมองแล้วเกิดตัญหารา่ะคิดยีงไงเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนนี่นะนะ ถ้าเร า, ถ, าถ้าพิจารณาให้สังเกตดูนะว่าเวลาเราไปพิจารณาเราไปไปบางคนอย่างมานักจิการไปก็ตั้งตั้งตั้งกิจใจก็ผิดแล้วตั้งกิจใจในกรณีที่เราจะใส่เสื้อผ้าชุดนี้เพื่อจะทำให้คนอื่นเขามองเราเยอะๆนี่เสมี่ตั้งตั้งผิดเลยตั้งผิด พ็ลองคิดดูเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ได้มัสิการในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่แค่เจตนาจะใส่เสื้อผ้าก็บาปแลว้วก็บาปแลว้วแค่เจตนาที่จะหยิบเสื้อผ้ามาสวมร่างเนี่ยอันเปืยเน่าเนี่ยก็บาปแลว้วใช่ไหมเพราะเรามั่นสิการไม่เป็นถ้าในทัศนทัศนะของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทัศนะของบุคคลที่จะมรรู้เป็นพาาระอรนทั้งหลายทั้งอิดหมาละอาใจม ก็คือท่านวิจัยมาหมดแล้วท่านวิจัยมาหมดใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยท่านวิจัยด้วยความเป็นทุกข์ท่านวิจัยด้วยความเป็นทุกข์อย่างที่บอกเลยทุกข์กระสับในด้านของตาท่านวิจัยเอาจากขู่กระสับเนี่ยว่าด้วยความไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างไงท่านวิจัยทั้งปัจจาลักษณะทั้งสามัญยลักษณะท่านวิจัยยังครบถ้วนไหม โดยสรุปก็คือว่าท่านควักเอามามาพิจารณาหมดเลยท่านเห็นสายละโยงลยายเต็มไปหมดนะในลูกตาในสำนวนได้ใช้ปัญญานะไม่ใช่มือควักนะปัญญาของท่านเข้าไปวิจัยหมดในตานั้นมันมีกี่ชั้นซับอยู่เป็นที่ตั้งของจักรขู่ภาษาท่า ย, ยังไงสะสมภาระจักขู่เป็นยังไงแหวไปล้อมไปด้วยเส้นเอ็นใหญ่น้อยยังไงในนั้นะมีดินน้ำไปลมประชมกันอยู่เกิดจากกรรมเท่าไหร่เกิดจากจิตเท่าไหร่เกิดจากอุตุเท่าไหร่เกิดจากอาหารเท่าไหร่ และสิ่งต่างๆเหล่าเนี้เมื่อกินอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงลูกตานั้นเป็นยังไงอาหารหมดแล้วทําให้ลูกตาเสื่อมยังไงอยู่ในอุตุยังไงทําให้ลูกตาดีอุตุยังไงทําให้ตาเสื่อมใช่ไหมแล้วจิตคิดยังไงทําให้ตาเสื่อมได้เร็วจิตคิดยังไงทําให้ตาอยู่ได้ทนแล้วกรรมเหล่านี้ยหล่อเลี้ยงตานั้นเอาวิชาตรรันหากรรมในอดีตหล่อเลี้ยงยังไงท่านวิจัยขาบบ่าดสะบันหมดแล้วถ้าจะเป็นที่ตั้งของตันหา <S <S ได้ไหมไม่มีเลย แล ha, darkness, the rauen, more, ้ว so ทุกอนูของร่างกายถ้าน้องมาวิจัยดูความปิตุกกษัตริย์แล้วก็เห็นปัญหาบวกกับกรรมบวกเอาวิชาที่ปิดติดกันใช่ไหมแล้วก็กรรมเหล่านั้นก็มาเกิดมาเจอพบเขาก็สวมตาปึบปึบปึบนี่นี่มาจากกรรมหนึ่งอหูไม่กรรมหนึ่งจมูกไม่กรรมหนึ่งลิ้นไม่กรรมหนึ่งกายไม่กรรมหนึ่งใช่ไหมหัวใจไม่กรรมหนึ่งเอาทีเดียนี้แต่ละกรรมแต่ละกรรมมาก็ เป็นโรงงานผลิตเลยอะตันหาเป็นเจ้ากรมใหญ่ผลิตให้ใช่ไหมตัวกรรมบวกกับตันหาเอาวิชาก็ปิดเอาไปเฮ้ยนี่ไงรางวัลของความของการเป็นมนุษย์เอาเอาไปสิเอาไปไปเสร็จเดี๋ยวพอหมดยังเหลืออเยอะที่คุณทําไว้อ่ะเพราะในปัจจุบันภพเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่คุณทําไว้มากมายนะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอย่างอย่างมาหึงมา ที่รอมาเวลาใกล้ถึงม ร, รณาสถานการณก็มาแล้วมานำเสนอเจา้าลิ้นแบบไหนที่คุณทำไว้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรอย่างดีก็ได้เอาคงทนก็ได้ยือยุ่ยืนยาวกีซีก็ได้เจา้าตาแบบป้าไอเอาปากแบบปากปลาฉลามก็ได้ใช่ไหมก็ให้